ไว้ทำไมไม่เอาไว้เลยเพราะมันจะไปผสมพันเป็นมาที่พยศต่อเองไม่มีที่สิ้นสุดึกไม่ได้เลยนี่พระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้จริงจริงนะทีนี้เขาก็จะสวนทางมาพระพุทธเจ้าเขาพระองค์มาสอนมาให้ข้าสัตว์ไม่ใช่เลือไม่เป็นบาปใจโอ้จริงอยู่ อันนั้นเราสมมติค่ากิเลสไม่เบาจังเลค่ากิเลสที่ดีเพราะเราค่าอารมณ์เฉยๆไม่ใช่่าคนไม่ใช่ค่าคนไม่ใช่ค่าเราอืค่าด้วยปัญญาไม่ใช่ค่าด้วยอาวุธประหัตประหามทำลายให้คนอื่นและสิ่งอื่นเดือดร้อนนี่ฟังดูสิเพราะฉะนั้น การเอาความสดใจเจยบตายหนึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญมาตัดอารมณ์ของเราที่มันหลงที่มันหลอกเราเองเพื่อมายึดสิ่งเหล่านั้นว่าดีสิ่งเหล่านี้ว่าดีถ้าริงความดีมันนี้อยู่ในใจของเราเองเราไม่มองไม่รักษาไว้อันนี้ให้มันบริสุทธิ์เลยไปเอาสิ่งอื่นมามันก็ไม่มันพึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านบางครั้งจึงว่าดใจอั ต, อตโนนาตโถตนเป็นสิ่พึ่งของตนอันน่นละเอียดมากอันนี้จนถึงที่สุดนนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนปัญญาแบบเราเราก็ฟังแบบเราเราก่อนใช้เป็นอุบายก่อนจนเมื่อถึงติตของเรามันสมบูรณ์แล้วเราจึงจะรู้ว่าโห้คาอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาคําว่าเราไม่ใช่ธรรมดาคําว่าอนัตตา น, นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดา อันต่างกับอันั้ตามันสับสนกับเราผู้สิ่คนสับสนนี่ไม่ทราบอะไรเป็นแท่จริงไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่เที่ยบเป็นของตายไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่ตายต้องไปเกิดอีก <c oughs> อเกิดอยู่ลำไปทีจิตตายแล้วอะไรมาเกิดนี่มันสับสนในเรื่องนี่ถ้าเราไม่แยกกะไรมันชัดอแล้วโงอ ย, อยู่อย่างนั้นถ้าเราแตกแค่เราฟังได้ ทุกองทุกคำพูดทุกอย่างเราฟังได้แต่ขอให้แยกอย่าไปรวบรัดเพราะฉะนั้นเราได้อุ บ, บายนี่จากหลวงปู่มันน่นเราก็ไม่เคยได้ยินองค์อื่นพูดมาก่อนหรือเรากำลงังเรื่องปฏิบัติอยู่ แต่หรือบางทีก็อง์อื่นก็พูดแต่เราก็รับไม่ได้ก็มีไม่ใช่แต่ตอนหลวงปู่มันพูดแต่เรารับได้เพราะการปฏิบัติเมื่อจิตใจมันวุ่นวายไม่ดีก็ก็อย่าไปวุ่นวายมันให้ส่งเขเป็นให้ถือว่าเป็นของจริงคือทุกขกับสะมุ ท, ทยัย น, นี่เป็นองคายเรื่องทุกขกับสะมุ ท, ทยัยอย่าเอามันเพยายามละเสีย จนเรื่องจิตใจดีสงบนี่ก็เป็นมักในโลดกับ ม, มักเราพยายามเจริญพยายามปฏิบัติถ้าถ้ายออกไปทีนี่เราก็จำหลักโงคอริยสัจสี่มกรมาสองเท่านั้นเองคือความชั่วกับความดีนี่เองเป็นอริยสัจ ทุกข์กรมสุนไทยก็ใครใครไม่ชอบกระองค์ ก, ก็มั น, ยนอยาิอ่านห้องต้งเป็นของไม่ดีไม่ควรทำํำเป็นของสินที่ชั่วสกปรกไม่สะอามากเป็นทําให้บริสุทธิ์ซึ่งว่าเป็นของดีโดยศีลสมาธิอันนี้รวบรวมโดยยอดแนำมาเลือกความชั่วทีนี้ไม่ใช่วันจันทร์ได้ในไหนทำมาจึงมากถึงจึงแปดหมื่นสี่พันสิจึงมี พระสุทพระเวินายพระประมัตถความดีก็เหมือนกันก็ต้องมาแก้สิ่งที่มันมากด้วยกันถ้ากำลังไม่เท่ากัน่มันก็สู้กันไม่ได้มันมากเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นทีนี่มีองค์หนึ่งหลวงตาองค์หนึ่งมาปฏิบัติแต่ก่อนเป็นค า, วารวะภาวนาจิตใจสงบสบายได้ความสุขไปเรื่อย ก็มีศรัทธายอยากจะได้ความสุขยิ่ง<อ>ขึ้นไปบอกเอ๊ะเราอยู่คารวะก็จะได้ได้ความสุขเพียงเศ่นี่ถ้าเราไปบวชเป็นสมณาแล้วความสุขของเราแล้วเราจะรู้เห็นไปมากกว่านี้ได้ความสุขว่านี้อีกคิดไปคิดมาต้องลงตัดสินใจบวชสิพอไปบวชท่านบวชเสร็จแล้วก็ไปศึกษา ไปศึกษาท่านก็สอนเรื่องพระวินัยวิธีขอ้อปฏบิบัติเมื่อบวชแล้วสอนไปสอนมาเลยเจรียบมันมากมายเนเรื่องวินัยอยนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดกฎอย่างนั้นก็กดขึ้นมาเลยมันเลอะนี่มาภาวนาะไม่สงบเลยทนี้นอย่างไรก็ไม่สบายเพราะมุขโมกติด เฮ้ยภานาปฏิบัติไปมาไม่สบายก็เลยเกิดท้อถอยเบือ่อหน่ายอยากจะสึกอยู่เป็นฆราวาสดีกว่าทีนี้ก็เลยไปลาพระพุทธเจ้ามาศึกเขไปลาอาจารย์ไม่ใช่กับพุทธเจ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอาระทับทำไมต้งอยากสึกเลยเล่าเรื่องให้ฟัง โอ้ถ้าอย่างนั้นท่านจะรักษาจิตดวงเดียวนี้ได้ไหมมันก็ตอบมาได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเรากระทจสิงอันนั้นให้มีสตรริสตม่ำรักษาจิตให้รักษาจิตทายดียร์ลดทายเดียร์เชื่อใจไปดีอย่าไปคิดสิ่งไหนที่ให้เกิดความดีเกิดความสาติเกิดปัญญาความสาามส่มขึ้นมาอันนั้นเป็นความดี ต้องพิจารณาสังขารให้มากเพราะสังขารไม่ใช่เป็นของดีเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายพราเราตาจิตพิจารณาสังขารเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นของไม่ดีไม่ดีจิตใจยิ่งดีเท่าไรไเห็นชัดอันนี้แหละจิตสงบเต็มที่ท่านจะพ้นทุกข์นั่นนะั่นอุบายถ้ามันถูกเนะี่ยไม่เข้าไปวุ่นวายอะไร รักษาจิตธรนั่นแต่หานไปจิตมันยอมรับความจริงอย่างมันก็พ้นทุกข์ได้หมดกกจ้เพราะฉะนั้นจึงมีสุขครปฏิบัทานทุกข์ปฏิบาาัาบางคนปฏิบัติสะดกสบายเพราะจิตของเขาเขาโรครักลุกบายที่ ง, ง่ายๆเหมือนกับผู้จับปลาไม่ต้องไปเที่ยวไล่จับไปตัวทะเลมันก็จับไม่ได้ถ้ารูกแั่เข้ามาอยู่ ในจุดเดียวแล้วมันก็จัดไปได้มันก็จำนนมันก็ไม่มีทางไปดวงระภิกษจิตเห็นความจริงแล้วมันต้องจำนนทุกอย่างทุกก็เป็นของจริงมันยอมรับความจริงมันก็ต้องเบือน่ายโดยปกติจิตแล้วมันไม่ชอบทุกแต่มันหลงเลวมันก็ไม่มีทางออกก็น่าสงสารเองเหมือนกับเด็กยังไม่รู้จะทาอะไรกน่าสงสารผลที่สุดก็น่าสงสารจิตตัวเอง ที่มันหลงที่มันคลิกใจที่ไม่ยอมรับความจริง